เสียงอ่านพุทธธรรมบทมที่14องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทาหมวดที่หนึ่งหมวดปัญญาสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออปยุตโตอ่านโดยอริยคุณจมรมพลดีขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้พรเทพวิริยะอาชาเมากรจงไพศาล ส, สลินวสิ น, นพัทศิ ร, ธริธรรมโพรัชนีวิเศษาธรจูเจริญวง นัทพรอัฐวุธิศินกุลิสรากิตบำรุงรุ่งโรดยอดบุตรดีตรีรัตทารวันนภัสวรัน์นิวแมนครอบครัวมุนทาทิพกุลครอบครัวงามสุริยพงษ์ครอบครัวชัยรัตน์ธิรวุฒิสายมาแก้วปัญญากโกจันทร์ร่วมกับอีกหลายท่านซึ่งไม่ประสงค์ออกนามขอทุกท่านจเจริญแต่ในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไปสัพพะธนังธรรมทธนังชินาติการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวง